ธรรมบทแปลเรื่องที่166เรื่องกุดุมพีคนใดคนหนึ่งข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรกุดุมพีคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปียะโตจายเตเป็นต้นตอนพระสัสดา เสด็จไประงับความโศกของกุฎุมพีความพิสดารว่ากุฎุมพีนั้นครั้นบุตรของตนทรรมกาละแล้วอันความโศกถึงบุตรครอบงำไปสู่ปา่าช้าร้องไห้อยู่ไม่อาจที่จะหักห้ามความโศกถึงบุตรได้พระศาสดาทรงพิจารณาดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปติมัคของกุฎุมีนั้นกลับจากบินทบาทแล้วได้ทรงพาภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณนะรูปหนึ่งเสด็จไปสู่ประตูเรือนของกุฎุมีนั้นกุฎุมีนั้นได้ฟังความที่พระศัสดาเสด็จมาคิดว่าพระศัสดาจากทรงประสงค์เพื่อทำปฏิสันฐานกับด้วยเรา จึงอัญเชิญพระสัสดาให้เสด็จไปสู่เรือนปูอาสนะไว้ในถ้ำกลางเรือนเมื่อพระสัสดาประทับนั่งแล้วก็มาถวายบังคมนั่งหน้าสวนข้างหนึ่งลาดับนั้นพระสัสดาตรัสถามกุดุมพีนั้นว่าอุบาสกท่านต้องทุกข์เพราะเหตุอะไรหนอแลเมื่อกุดุมพีนั้น กราบทูลทุกเพราะพลัดพรากจากบุตรแล้วตรัสว่าอย่าคิดเลยอุบาสกชื่อว่าความตายนี้ไม่ใช่มีอยู่ในที่เดียวและมิใช่มีเฉพาะแก่บุคคลผู้เดียวก็ชื่อว่าความเป็นไปแห่งพบยังมีอยู่แห่งใดความตายย่อมมีแก่สรรพสัตว์เพียงนั้นเหมือนกัน แม้สังขารอันหนึ่งชื่อว่าเที่ยงย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านพึงพิจารณาโดยอุบายอันแยบขายว่าธรรมชาติมีความตายเป็นธรรมตายเสียแล้วธรรมชาติมีความแตกเป็นธรรมแตกเสียแล้วไม่พึงเศร้าโศกเพราะว่า โบราณกักบัณฑิตทั้งหลายในการที่ลูกรักตายแล้วพิจารณาว่าธรรมชาติมีความตายเป็นธรรมตายเสร็จแล้วธรรมชาติมีความแตกเป็นธรรมแตกเสร็จแล้วดังนี้แล้วไม่ทําความโศกเจริญมรณะสติอย่างเดียวอันกุดุมพีทูลอ้อนวอนว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัณฑิตพวกไหนได้ทำแล้วอย่างนั้นและได้ทำในการใดขอพระองค์จงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์เพื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานอย่างอุรคาชาดกในปรรจกานิบาตนี้ให้พิสดารว่าอุระโกวะ ตจังจินังฮิตวาคชติสั้นตานุงเอวังสรีเรนิโพเกเปเตกาละกะเตสติใดหมาโนนญานาติยาตีนังปริเดวิตังตาสมาเอตังนัโซจามิกระโตโซตัสยากติบุตรของเรา เมื่อสรีราใช้ไม่ได้และสรีร่างของตนไปดุจงูลอกราบเก่าฉะนั้นเมื่อบุตรของเราใต้าจากไปแล้วเขาถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้ปริเทวนาการของพวกญาติเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกถึงบุตรนั่นเขามีคติเช่นใดก็ไปสู่คติเช่นนั้น ดังนี้แล้วจึงตรัสต่อไปอีกว่าบัณฑิตในการก่อนเมื่อลูกรักทมกาละแล้วอย่างนั้นไม่ประพฤติอย่างท่านผู้ทอดทิ้งการงานแล้วอดอาหารเที่ยวร้องห้อยู่เดี๋ยวนี้ไม่ทำความโศกด้วยอำนาจมรณสติภาวนารับประทานอาหารและอธิษฐานการงาน เพราะฉะนั้นท่านอย่าคิดว่าลูกรักของเรากระทํากาละแล้วแท้จริงความโศกก็ดีภัยก็ดีเมื่อจะเกิดย่อมอาศัยของที่รักนั่นเองเกิดดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าปิยะโตจายเตโซโกปิยะโตจายเตพยัง ปิยโตวิปปมุตตสระนัตถิโซ โ, ซโกโกุโตพยังความโศย่อมเกิดแต่ของที่รักภัยย่อมเกิดแต่ของที่รักความโศย่อมไม่มีแก่ผู้ปลดเปลื้องได้จากของที่รักภัยจักมีแต่ไหนตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า ิยโตเป็นต้นความว่าก็ความโศกก็ดีภัยก็ดีอันมีวะัตตะเป็นมูลเมื่อจะเกิดขึ้นยอมอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเท่านั้นเกิดแต่ความโศกและภัยแม้ทั้งสองนั่นย่อมไม่มีแก่ผู้ปดเปลือ้องจากสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักนั้นได้แล้วในการจบเทศนา กุดุมพีตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลเทศนาได้มีประโยชน์แก่ชนผู้ประชมุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องกุดุมพีคนใดคนหนึ่งจบ